วันนี้เราได้มีโอกาสเดินผ่านป่าที่เรียกว่าเป็นป่าจริงจริงนะถึงแม้ว่าจะไม่มีสัตว์ป่าที่เราเห็นมากนะไม่บ่อยนะที่ธรรมญาติเราจะเดินผ่านป่ า, าส่วนใหญ่เราก็จะเดินผ่านชุมชนหรือว่าเดินผ่านไร่ ไร่มันสวนยางสวนสับ ป, ประรดไม่ได้เดิมมนบนถนนแต่ว่าที่พิเศษนะสาหรั<ม>บปีนี้นะก็คือการที่เราได้ไปเยี่ยมนนเยี่ยทน้งตกนไม่ได้เยี่ยนเยี่ยห่งเดียวนะ<ม>เราได้นะ<ม>สัมผัสนั้น้ำตกเลย ต่อาบในสภาพร่า ง, งกายผัสกับความชุ่มเย็นของน้ำตกก็เป็นปีนี้นะปีน่อไม่มีนะแล้วปีนี้นี่ไม่ใช่แค่น้ำตกเดียวนะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ก็จะมีน้ำตก่ตางโซนให้เราได้ได้กระสบสัมผัสอีก ไม่เรียกว่าวันนี้การเดินธรรห้ยาตาของเรานะก็ผู้คนก็มีรอยยิ้มกันเกิดทั้งวันเพราะว่าเป็นอันซีนนะสำหรับหลายๆคนทีเดียวและกระทั่งผู้จัดธรรมย้ยาตาหลายคนก็ยังไม่เคยได้มีประสบการณ์อย่างนี้นะให้นำรหร้ยาตา อยน้อยกว็วันนี้เนี่ยเราถ้าจะเชื่เชียอให้กบอก็ต้องเรว่าทำอมหารษานะไม่ให้ทำระยะตราดทำอมหารสานะาาา เ, น เ, นเดินด้วยความผาลื้อขนเดินด้วยความยินดีเดินด้วยความถึงพอใจก็นับว่าเป็นเป็นเป็นโอกาสดีของพวกเรา เที่ได้เทียบเคียงนะกับประสบการณ์ก่อนนัานสี่ห้าวันแต่ว่าก็ตื่นไม่ก่อนนะเพราะว่ารุ่งนี้เนี่ยนะมันจะเหมือนนังคนละตอนเลยนะ เราจะไม่สามารถที่จะเรียกว่าทำมหัศจราได้อยา่างตามเมื่อเราเดินป่าผ่านป่านี่ให้พิจารณาถึงประโยคสองประโยคที่เราได้กล่าวทุกเช้าก่อนที่เรจะออกเดินเราจะเดินด้วยความอ่อนน้อมต่อธรรมชาติเราจะเดินด้วยความอ่อนน้อมต่อธรรมชาติ และสมมึกในบุญคุนของสัปปสิ่งได้ว่าพื้นดินป่าไม้ภูเขาลำน้ำทางบางคนสงสัยว่าทำไมต้องอ่อนน้อม ก, กับธรรมชาติด้วย<ม>หลายคนมองว่าธรรมชาติยันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือว่า เป็นแค่ต้นวัตถุที่มีขึ้นเพื่อสนองประโยชน์ของมนุษย์เพื่อรับใช้เราหรือบางทีก็เรียกว่าเป็นทรัพยากรเวลาพูดถึงทรัพยากรก็โยงไปถึงเรื่ององการตักตัวมาใช้ประโยชน์เป็นสินค้า อันนี้ครว่าจว้วอะไรมันก็เป็นความคิดใหม่นะ<ม>เป็นโลกประทัดแบบใหม่มมมมถ้าเราได้พิจารณาบทกรวดน้ำตอนเย็นที่เราต้นสาเตรมาสครู่เนี่ย<ม>ก็พูดการอุทิศบุญบุญสมให้กับเรียกว่าไม่ใช่สรรพสาัตว์เท่นั้นจตน่รวมสรรพสิ่งด้วย ที่ให้แม่กระทั่งพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์พระาะจันทร์นี่ก็เป็นตัวแทนของธรรมชาติเป็นตัวแทนธรรมชาติที่มีที่พลต่อชีวิตของเราที่ผลที่ว่านี้เนี่ยรวมถึงการที่ได้ทําให้เรามีปัจจัยสี่ หรว่ามีสิ่งที่ช่วยเลี้ยงดูเล้งดูชุบชูชีวิตของเราเ้าไม่มีธรรมชาติมันก็ไม่มีชีวิตไม่มีธรรมชาติก็ไม่มีเราเพราะเราไม่สามารถจะอยู่ได้โดยแยกขาดจากธรรมชาติที่เราอยู่ได้เพราะเราเป็นหนี้บุญคุณของธรรมชาติ ตอนพิจารณาเราดูนะเฉพาะแค่เดินธรรมยาตาเนี่ยเราเดินมาห้าวันแล้วธรรมยาตานี้จะเป็นไปไม่ได้เลยประกาศภาพว่าไม้รับความเครื่อเครื่อตูดจากผู้คนมากมายทางเจ้าภาพเจ้าภาพนี้ก็มีมากจะเป็นเจ้าของบ้านคืดี หรือว่าผู้คนจับท้องสินอื่อที่นำอาหารมาให้นำอาหารมาเล่นดูเรานอกอยากอาหารแล้วก็ยังมีนะ้ำแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดกหลายอย่าง<ม>การจัดสถานที่ให้เรา<ม>ให้เราได้ใช้ ไม่ใช่แต่น้ำดื่มแม้กระทงน้ำใช้เราเ่อความเคือเคื่อเครืองตุลกับผู้คนมากมายทั้งชาวบ้านทั้งอบตทั้งอบจซึ่งก็ที่จิตเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าผู้คนในหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยเขาเห็นความสําคัญเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทํา ถ้าจะปาจากความช่วยเหลือเพื่อเพือคของบุกคนเหล่านี้ซึ่งมีมากมายนับไม่ถ้วนธรรมยานการนี้ก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้หรือไม่สามารถจะอยู่มาจนถึงวันนี้นี่ชวะธรรมยากะนการซึ่งก็มีระยะเวลาแค่เต็งแต่กวนันเมื่อพูดถึงชีวิตของเรา ชีวิต อ, องเราดีก็เราและแต่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้คนมากมายและสาระสิ่งก็ว่าได้ไม่มีดวงอาทิตย์นะมันก็ไม่มีพืชไม่มีพืชไม่มีออกซิเจนไม่มีพืชก็ไม่มีน้ำไม่มีอาหาร นี่ก็เป็นเหตุผลส่นที่ทำให้เราควรจะอ่อนนอกก้อมต่อธรรมชาติแล้วก็สำนึกในบุญคุณของสัเป็นคนสมัยก่อ น, เ, นเขามีคฟังสำนึกในลักษณะนี้มากทีเดียวเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมชาติ บางทีก็ถือว่าธรรมชาติเป็นเหมือนแม่อย่างที่ได้บอกไว้นะคนสไลด์ก่อนที่มองไปที่น้ําก็เห็นแม่คงคามองไปที่พื้นดิก็เห็นแน่ชาวรณีมองไปที่ตุ่มงงานาก็เห็นแม่โพสกุกเพาว่าแม่น้ํานี่ก็ก็บอกนะถึงความรู้สึกซ้ำนึก ในความสําคัญหรือว่าในบุญคุณของธรรมชาติที่เป็นสายน้ําความสนุกในบุญคุณของธรรมชาติเนี่ยทําให้ชาวบ้านสมัยก่อนมีความอ่อนน้อมถึงแม้ว่าบางครั้งจะกลายเป็นความยำเกรงก็ตามโดยเฉพาเจท่านเราเวลาสมัยท่านเป็นเด็ก จูงรวจงายไปไ ป, ไปเลี้ยงเวลาจะพาควายไปอาบน้ำควายมันมันมนานน้ำไม่ได้หดือยเพราะกลางวันตอนบ่ายแดดร้อนๆเนี่ยจะต้องเอาน้ำเนี่ยสาดไปที่ควายให้มันเย็นคนท่าคนแก่ก็บอกว่าให้ใช้มือสาดนะอย่าใช้เท้าเตนนะน้ำ มันจะไม่ดีขนาดน้ำนี่นะต้องใช้มือไนะม่ใช้ใช้เท้าแล้วเวลาจะเล่นน้ำเนี่ยอย่าไปฉี่นะฉี่ลงในน้ำเนี่อันนี้อุปาเลยนะอันนี้ก็เป็นความความรกธรรมชาติแล้วค่านไปทางยางเตยแต่ว่ามันก็มีประโยชน์มีข้อดีนะที่ทำให้ผู้คนเนี่ย ขารคธรรมชาติขารคแม่น้ำไม่กล้าจิ้งอะไรที่เป็มโลละที่ลงไปแม้แต่จะปลียเส้นทางน้ำหรือติดทางน้ำาก็ถือว่าถือว่าผิดอย่างอย่างหนักเลยนะช mm hmm. าวเหนือเรียกว่าขึกนะเรืออุบาา mm hmm. อันนี้คนก็กลัวนะกลัวซึ่งก็มีเหตุผลของมันนะ mm hmm. เพราะว่า ชีวิตของชาวบ้านเนี่ยก็ปลูกพันธุ์แล้วก็พึิน ก, กับธรรมชาติมากแล้วก็มีอุบายทําให้มีความย่งเกรงธรรมชาติแต่ว่าความยำเกรงนั้นส่วนก็มันไม่ใช่แค่ยำเกรงแต่มีความเคาร้ความรักธรรมชาติเพราะฉะนั้นเรื่องการตัดไม้เนี่ยนะถ้า ต, ตัดไม้โดยที่ อนนี้คือว่าเอาไปขายหรือว่าตัดไม้แต่ร้างถังคงอันนี้เี่คนก็ไม่เคยกล้าทำเท่าไหร่ก็กล<ม>ัวนะกลัวกลัวเทพารักหรือว่ากลัวผีป่าจะมาเล่นงาน สมัก่อนคนที่จะมาตัดไม้ในป่านี่ก็ต้องต้องเส้นผีกันนะที่ผู้หลงเนี่ยทีเราเห็นมีสารเล็กๆคนที่ตัดไม้นีเขาตั้งสารขึ้นมาเพื่อขอเข้ามาหรือว่าหรือว่าจะให้สินบนผีก็ไม่รู้นะพอาก็จะตัดเนี่ยเขาก็กลัวก็อ่าก็ต้องเส้นไหว้กัน ว่านันเนี่ยคุณคุคนพูดว่าป่าในเมืองไทยเนี่ยมันอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าสองอย่างนะคือผีกับปลาป่าในเมืองไทยมันอยู่รอดได้เพราะผีกับปลาไม่ใช่กันประบาดไม่ใช่กรมป่าไมา้เพราะว่าคนกลัวผีก็ไม่กล้าตัดไม้หรือว่าท่านีพระมารักษา อันนี้เนี่ยให้ความสำนึกอ่อนน้อมกับธรรมชาติเนี่ยมันก็มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนด้วยกันเป็นที่น่าสังเกตว่าในสังคมหรือในชุมชนที่คนเนี่ยเขาเคารพธรรมชาติเนี่ยผู้คนในชุมชนก็มีความเ อ, อ, เ อ, อื้อเฟือมีน้ำใจแบ่งปันกัน คามเื่อเือที่ยุค ป, ปัจจุบันนี้อาจจะยึไม่ถึงหรือพาปัญญาปัญญานันาน้ามนดีเนี่ท่านเคยเล่าว่าสมัยที่เป็นเด็กนะั้นชื่อเดชชัยปันอยู่ทพัทลุงไอเด็กๆ เ, เนี่ยท่านก็ก็ชอบเล่นนะชอบสนุกสนาน แท่านก็พูดว่าเนี่ยตอนเด็กที่ท่านเบื่ออยู่อย่างหนึ่งเหลืออะไรเบื่อเวลาพ่อแม่เรียกให้ไปให้เอาขนมให้เอาอาหารเนี่ยไปแจกให้เพื่อนบ้านไปแจกให้ครบทุกบ้านเลยเวลาได้ทุเรียนมาก็มาตั้งขึ้นมอ้อมาทเป็นขนมเวลาได้เนื้อมาก็ทำแกงก็หม้อใหญ่ คือเาได้มาเนี่ยไม่ได้ได้ถึงตัวเองเริเลยนะหรือไม่ได้ดึงดวอย่างเดียวนึกถึงเพื่อนบ้านหรือแล้วก็ไปจ้างที่อยงกชายปั่นเนี่ต้องเอาของเราเนี่ยไปแจกให้เพื่อนบ้านเป็นประจําเป็นประจ ำ, นะ จ, ำจนกรท่าเด็กชายปั่นก็เบื่อแล้วเกินแต่ตอนที่ท่านเล่าท่านก็เล่าด้วยความสํานึกนะว่าอันนี้คือภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ทำให้ชาวบ้านอยู่ด้วยกันอย่างอย่างสมาสนสามัคคีกันใครมีนะใครมีใครก็มาแต่งกันแล้วภูมิปญานี้ก็ดีในทั่วทุกภาคของประเทศนะ<ม>เจ้าคุณโพธิธรรมศรีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นต้จอมรัตนาภาพไปหลายปีแนละ้ว<ม>ถ้าเกิด แกนนำสำคัญนั้งในการคัดค้านกับเช้ารอยฟ้าลอยอสุเทพในเมื่อทุกี่สิบสามสิบปีก่อนถ้าเราว่าตอนเด็กๆเนี่ยบ้านท่านเนี่ยที่อีนทุกบ้านเลยในหมู่บ้าน<ม>จะทำอาหารแค่อย่างเดียวแต่ทำเยอะแล้วทุกบ้านก็จะเอาอาหารมาแต่งกันมาให้กัน เพราะทุกวันเนี่ยก็จะมีอาหารหลายอย่างทุกวันมีอาหารหลยอย่างเท่าที่ทําอย่างเดียวนั้นแต่ว่าเวลากินีมีอาหารหลจากเพราะว่าบ้านนี้ก็มาให้บ้านนี้ก็มาให้แต่งปันกัน mm hmm. ก็เลยอรักไข่กลมเกรียวกันแล้วก็ไป่รู้สึกมีความขาดแคลนอันนี้คือสังคมที่น่าจะยากจนนะ สอคนบูบ้ามยากจนแต่ว่ารวยน้ำใจในสอวนนี้เนี่ยมันชุ่มเย็นด้วยธรรมชาตินะเพราะว่าฝนไม่ขาดแคงแล้วก็ชุ่มเย็นด้วยน้ำใจไม่ขาดแคลทั้งน้าฝนน้ำผ้าแล้วก็น้ำใจถึนชุ่มเย็นชุ่มเย็นทั้งกายชุ่มเย็นทั้งใจ ภูมิปัญญาแบบนี้ก็สืบทอดมาจนมาถึงในชนบทในหลายแห่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นิรมนยติสูรกลุ่มเคยเลาว่าสมัยที่ไปทำสารบัญญัในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะนี่ก็ศิลปีมาแล้วทำสารบัให้กับพาายายุ่มหญ้าป่าใหญ่ป่าใหญ่ครีเอชั่นทุกวันนี้ยังมีสารบัอยู่นะทุกวันเสาร์ท่องสา แเธอก็เราว่าวันหนึ่งกองถ่ายก็กําลังพักก็มีคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยเดินผ่านมาแล้วก็คงจะรู้จักกับคนในกองถ่ายคุณป้า น, นีก็ถือปลามาพวงพวงใหญ่เลยพัาถ่ายก็ถามพักคุณป้าก็ถามว่าเนีปลาพวงเนี่ยทําไงจะกินได้นานทําไมจะกินได้นาน คนในทีมถ่ายทํานี่ก็ไปวไหนเป็นคนบ้างบางคนก็บอกว่าเอาไปแช่ตูเ้เย็นบางคนก็บอกว่าไปหมักบางคนก็บอกว่าไปตากแด่ไปทํำส้มป้าบอกไม่ถูกเลยสักข้อถ้าจะกินปลานี่ยังให้ให้ได้ยังยืนเนี่ยนะต้องมอาโดยการเพื่อนบ้านให้โทษถึงถ้าด้วยกันให้เพื่อนบ้านทั่วถึงเนี่ยก็จะกินได้นาน แล้คนเมืองเนี่ยงงนะเอาไปแบ่งให้นบ้านมากเท่าไหร่ไอ้ที่เหลือให้เราได้กินก็น้อยลงสิอันนี้คิดแบบคนเมืองเนี่ยเรื่องคิดแบบคนสมัยใหม่ยิ่งให้ก็ยิงหมดแต่คนสมัยก่อนนี้เขาหรือคนชาว บ, บ้านเน mm ี hmm. ่ยเขามีความ mm hmm. คิดว่ายิ่งให้ก็ยิงได้ยิ่งเลยแบ่งให้ผู้คน ก็ยิ่งไม่อดเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่ชาวบ้านเพื่อนบ้านเขามีข้หาปลามาได้ล้วก็มองแบ่งให้อันนี้เราจะมองแบบว่ามองแบบว่าเห็นในตัวก็ได้นะคือให้ด้วยความติดตัวคือหวังว่า<ม>ชาว บ, บ้านเขาก็จะที่ได้รับเขาก็จะเอามาเอามาแบ่งปันโอกาสหน้าที่้องหามาได้แต่ก็เป็นงรณีแต่ตัวที่มีประโย์ เป็นววามเหยเป็นตั ว, ตวที่ที่สร้างสรรค์และนี่คือสิ่งที่เป็นคุณธรรมที่หล่อเลี้ยงนะชุมชนสมัยก่อนที่ไม้จะยากจนลำบากกายแต่ว่าใจเนี่ยมีความสุขปลอดภัย หลวง่อปัญญาท่านเล่าว่าบ่บ้านท่านเนี่ยมักจะมีโจรมาปล้นเอาวัวเอาควายและทุกครั้งเนี่ยที่มีคดีแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าของวัวเจ้าของควายจะมาหาพ่อของท่านให้ไปช่วยเอาวัวเอาวควายนี้กลับคืนมาหน่อยและมักจะได้ทุกครั้ง เพราะว่าท่านก็พอจะรู้ว่าใครเอาไปหรือถึงไม่รู้ก็มีการบอกต่อๆกันไปเพราะว่าถ้ามีคนที่มีน้ำใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็รับถือจะไปขอความเชื่อจากใครก็ได้แล้วท่านก็จะไปหาเจ้าคนมวยเนี่ยโจที่อู่นักงักคโมวยควายขอควายคือได้ไหมแล้วก็จะได้มาทุกครั้ง อาจจะได้มาไม่ครบเิ่นของโมงปสส ต, ตัวโจรก็จะฆ่าไปลวตัวสองตัวก็ได้มาเหลือแค่แปดตัวก็ได้มาคืนเจ้าของผมวงพ่อปัญญา็สงสายไว้โยมพ่อถ้ามีอะไรดีหรือนะถึงสามารถไปไปตามเอาวัวควายของชาวบ้านนี่มาคืนได้ก็ได้คาตอบว่าพ่อถ้ามี พ่อโจเนี่ก็นับถือนับใจของพ่อท่านโยมพ่ อ, องท่านและโจเราเนี่ยเดิมเคยได้มากินข้าวบ้านท่านเพราะว่าเวลาเวลาสมัยก่อนเนี่ยคนมันยุ่งยิบลเตี้ยมนะคนแปลกหน้าคนต่างจิตบางทีมาถึงหมู่บ้านก็ค่ำค่ำบางทีก็อยู่วัดก็ไม่สะดวกก็มาค้างก็มาค้างบ้านของโยมพ่อท่าน โยมแม่นก็ทำอาหารเลี้ยงไม่รู้เป็นใครนะแต่ว่านี่ว่าทำเต็นที่เลยบางทีมาคณะใหญ่สิบคน1ิบห้าคนก็เลี้ยงหมดตาข้าวฟอง น, นั้นเลยพอสมัยก่อนก็ไม่ตาข้าวให้เกิดน่ยก็ตาข้าวพอดีพอดีก็ามาเลี้ยงจะมีคนถามว่าไม่กลัวก็าโกงเย ให้โจนพวกนี้อาจาจะเป็นโจแล้วก็ได้ก็ได้คําเตือว่าเขาไม่พ้นหรอกนะคนที่กิดข้าบ้านเรากขาไม่พ้นเราหลอกหรก็มีความสำนึกในมุลคุณนะแล้วโจนโจนที่วัวก้นวัวก้นควายเนี่ยของต้นบ้า น, นะอานพอโยมพ่อจะไปตามเนี่ยก็ได้คืนเพราะว่าให้โจนนี้ต่อาจะเป็นใจเพราะว่าเคยมากินข้าวบ้านครับ เลยะการเรียนรู้ผูกเสียงอันนี้คือสรภาพของสังคมสมัยก่อนซึ่งสมัยนี้เลื่นเลื่อนไม่ออกนะมันเป็นสังคมที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะที่ในด้านนึงก็มีความเคารพ อ, อ น, นอกก้อนต่อธรรมชาติและในด้า น, นก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อภูมิแต่ก็บางคนด้วยกันก็ไม่วงแห็งแต่เท่าไหร่ อันนี้มาสะพ้อนในในเรื่องเล่าของหุวพ่อหลวพ่อคุณตธาตนะตอนในเด็กเนี่ยโยมแม่ก็ให้เด็กชายเงืองเนี่ยนะจารผู้ชายแต่ก่อนเป็นเด็กที่เมืองให้มาเฝ้าเฝ้ามาแล้วโยมแม่ก็ให้คาถากันขโมยเอาไว้คาถานี้ชางงัดมากเลย ข้องคาถานี้แล้วนี่ไม่มีขโมยไม่มีขโมยค า, าถานี้ว่านกกินเป็นบุญคนกินเป็นทาง น, นะนกมา ก, กินก็ถือว่าเป็นบุญทำบุญให้ทำบุญกับนกคนมากินก็ถือว่าให้ทางนะอันนี้ก็เป็นสะท้อนเนี่ยถึงน้ําใจที่มีต่อธรรมชาติซึ่งมีนกเป็นตัวแทนเพราะว่ามีน้ำใจกับคนคนแปลกหน้ามาเอาก็ไม่ว่า ที่เราากับอของปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียนนะว่าในด้านานี้ก็มีการการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไม่มีความอ่อนน้อมไม่มีความสอนทีในหุ่นบมองด้วยสายตาเป็นปฏิปักษหรือว่าที่จะรับต่อเปลี่ยนถ้าได้ช่องก็ออกทำป่าก็เลยถูกตัดสัตว์ก็เลยถูกค่า ะทั่งศูนย์พันลากธนาศูนย์ไปก็มั่งมาเกิดวิกิตต่างๆนะทั้งน้ำเสียอากาศตึ้งพิจิงแห้งตายปลาหดหายสัตว์ก็ไม่หลือหล่อและในระดับการเนี่ยในสังคมแบบนี้ที่มีโรคระบรดาบนี้เนี่ยก็มองมองนุษย์ด้วยกนันคนละฝักคนละฝ่าย ได้มีความเพื่อเพื่อ เ, อเอพื่อปูนนันเท่าไร่ถ้าเอาเปลียนได้ก็เอาเปลี่ยนมัน เ, เกิดปัญหาสังคมเกิดปัญหาอาจการมมีการระดัเปลียดเกียดเยียงกันระหว่างเมืองเกษตนกรระหว่างนายทุนนะกับกมรมกรระหว่างผู้คนต่างอาชีพ ทีน่นีความรู้สึกปฏิปฏัปกษ์เกิดขึ้นแมกระทั่งเพงเพราะว่ามีความเห็นทางการเมืองหรือทางาศาสนาแตกต่างกันแล่ค่อยังมีน้ำอดน้ำทนต่อต่อการรัฐ ก, กันเท่ากันและนอกจากความรู้สึกเกินห่างเหมือนบมางเหมือนกันระหว่างผู้คนมู่งาระบบเกี่ยวกั น, นแม้กระทั่งภายในบ้านระหว่างพี่น้องระหว่างเพื่อนและเนี้ย ผู้คนก็ยังสึกเผิอห่างมังกับตัวเองด้วยรู้สึกแปลกแยกกับตัวเองแปลกแยกกับตัวเองเกลียนตัวเองทนอยู่กับตัวเองไม่ได้อันนี้เป็นอานการที่เกิดขึ้นมากอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยก็จะกระสับกระส่ายผูร้อนผู้รายหรือไม่ก็เหงาโรคเหงาที่เกิดขึ้นมากกับคนสมัยใหม่ท่างที่ ขอกครอบครองด้วยผู้คนมากมายทั้งที่มีโทรทัศน์มีโทรศัพท์มีเครื่องอำนวยความสะดวกเครื่องมือสื่อสารมากมายแต่ก็ยังเหงาหรือไม่ก็เบื่อเบื่อตัวเองอันนี้ดูเหมือนว่ามันมันน่าจะเกี่ยวโยงกันนะความรู้สึก การฝักการฝ่ายเพือนหานกับธรรมชาติมองธรรมชาติเป็นคนเราฝักคนเราฝ่ายตัวเองนําไปสู่การที่มองผู้คนเป็นฝักเป็นฝ่ายกันพ้องมาแล้เปรียบเปียดเยียดกันและสุดท้ายก็แปรแยกกับตัวเองทั้งที่มีความสะดวกสบายมีเงินมีทองเยอะแต่ลับตัวเองไม่เป็น เราก็ลัคนอื่นไม่ได้แค่เห็นตานก็จากันสาดความโรกรธเกียดใส่กันอันนี้เห็นได้ตามโซเชียลมีเดียนี่เยอะมากหรือแทั้งในบ้านในวงในวงสนทนาการใดในบ้าน <S <S เหมือนกับว่าเพือนเพื่อเรา ไม่มีความเติมที่กัธรรมชาติเพราะเราไม่มีความเคารพ อ, อนเนาะับธรรมชาติแต่เพราะเรามุ่งจะเอาเปรียบธรรมชาติสุดท้ายก็เลยกลยเปนว่าเอาเปรียบซึ่งกรรันและกันทําร้ายซึ่งกรรันและกันแล้วก็เปรียบตัวเองเหืนหางหมามงหมดตัวเองความสัมพันธ์เสียไปหมดเลยนะได้บอกกับธรรมชาติกับเพื่อนหมดด้วยการและกับตัวเองซึ่งตรงข้ามกับสังคม ที่ในชัวโสมัยก่อนที่ขนาที่เขม่ีความมีความเป็นมิตรกับธรรมชาติแล้วก็เป็นมิตกับาร ก, กันแล้วแล้วก็ยังเป็นมิตกับตัวเองด้วยอันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะว่าเ ป, ปเป็นไปได้หรือเปล่านะเราทำอะไรกับธรรมชาติ เราก็ทย่างนั้นกับเพื่องมือเล่นกันแล้วก็ทำตใจตัวเราแล้วเราก็ทำแบบนั้นกับตัวเองด้วยถ้าเราเป็นนิสิตธรรมชาติก็เป็นนิสิตการละการแน่น่าถ้าเราก็เป็นนิสิตตัวเองได้แต่ถ้าเราเป็นศัตรูธรรมชาติเราก็จะเป็นศัตรูกันเองแล้วเราก็จะไม่เป็นนิกิตตัวเองด้วย ไอ้คำพูดเนี่ยธรรมยาติาที่ว่าเราจะเรีนด้วยความอ่อนน้อมต่อธรรมชาติและสัมพันธ์ในคุณประสิทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่คาพูดสวยหรูหรือว่ามันมีความหมายจํากัดเพียงแค่ความสัมพันธ์ระหว่างเราธรรมชาติแต่มันจะส่งผลเนี่ยที่สมไปสู่ความสัมพันธ์ของเราต่อเพื่นมนุษย์หรือผู้คนใกล้ร้องและโยงไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างเรา กับตัวเองด้วยอันนี้ก็ฝ่าที่เจรินานะทำ น, นี้แียวกันเท่านี้